สังคาทิเศษสิกขาบทที่ 6.212 ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุณีผู้ทรงเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าชายผู้นั้นจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้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 จะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามแก่ท่านท่านจงรับประเค้นของนั้นด้วยมือของตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดในสังคาทิเศษสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐานและ